วันนี้พวกเราจะมาเจริญมรณานุสติกันมาพิจารณาความตายกันเพราะเป็นความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตของพวกเราที่พวกเราจะต้องประสบกันการเจริญมรณานุสติ ก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้รับกับความจริงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจได้เวลาเกิดความตายขึ้นมาเราก็จะไม่เสียหลักเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับความตาย วิธีเจริญมรนะนุสติทำอย่างไรก็เราต้องสมมติว่าวันนี้เป็นวันตายของเราต อ, อนที่เราจะตายเราควรจะทำอะไรกันบ้างเหมือนกับวันที่เราแต่งงานก่อนที่เราจะแต่งงานเราจะต้องทำอะไรกันบ้าง เราก็ต้องเตรียมชุดวิวาเตรียมหาสถานที่จัดงานเลี้ยงเตรียมพิมพ์บัตรเชิญต่างๆถ้าเราไม่เตรียมการไว้พอเราจัดการวิวาก็จะเกิดอุปสรรคต่างๆได้แค่กเกือที่เราอยากจะให้มาก็อาจจะไม่ได้มาได้ ถ้าเราไม่ส่งบัตรเชิญไปให้แก่บุคคลต่างๆหรือเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศก่อนที่เราจะไปได้เราก็ต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนเช่นเราต้องทำหนังสือเดินทางทำวีซ่าซื้อตั๋วเครื่องบิน เตรียมแลกเงินตาของประเทศที่เราจะเดินทางไปถ้าเราไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนถึงเวลาที่เราจะต้องไปเราอาจจะไปไม่ได้หรือไปแบบทุลักทุเลไปแบบยุ่งยากลำบากฉันใด การตายของพวกเราก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนสถานที่อยู่เราจะออกเดินทางจากโลกกระถางคือโลกของดินน้ำลมไฟไปสู่โลกที่เราก็ต้องมีการเตรียมการเตรียมสกุลเงินตราสกุลต่างๆที่เรา จะเอาไปใช้ต่อไปถ้าเรามีการเตรียมการไว้ดีพอถึงเวลาเราก็จะไปได้อย่างสะดวกอย่างสบายการลำลึกถึงความตายหรือการคิดว่าวันนี้เป็นวันตายของเราจะทำให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจ เช่นถ้าวันนี้เราจะตายเราควรจะทำอะไรบ้างอย่างน้อยเราก็ควรจะไปช้อปปิ้งหาโรงสุดหาโรงสุดที่เราชอบเหมือนกับที่เราไปซื้อเสื้อผ้าที่เราจะสวมใส่ไปในงานวิวาหรือเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องไปช้อปปิง้งไปซื้อเสื้อผ้า ซื้อกระเป๋าเดินทางใส่เสื้อผ้าต่างๆของเราเวลาเราจะตายเราก็ต้องไปหาซื้อโรงศพมาใส่ร่างกายของเราไปหาสาราวัดไปจองสาราวัดไว้สำหรับเป็นที่ตั้งของงานศพของเราแล้วก็ไปจ้างช่างภาพ ให้มาถ่ายภาพเราตอนที่เราตายแล้วให้เขาเอาไปติดไว้ที่หน้าโลงศพเวลาคนมางานศพของเราเขาจะได้เห็นภาพจริงของเราภาพตอนที่เราตายไปแล้วไม่ใช่เอาภาพตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นภาพหลอก ไม่ใช่เป็นตัวจริงเป็นอดีตของเราแต่ปัจจุบันของเราเขามองไม่เห็นเพราะปัจจุบันของเราเขาเก็บไว้ในโรงไม่เปิดให้เราดูกันถ้าเราได้เปิดให้เขาดูศพของเราก็อาจจะทำให้เขาหูตาสว่างขึ้นมาก็ได้การเห็นศพการเห็นคนตาย ก็จะทำให้เกิดอุธาหรขึ้นมาได้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้อย่างน้อยก็เกิดให้มีมรณานสติขึ้นมาได้คือจะได้ระนึกถึงความตายของตอนเองอย่างสมัยที่เราขั้งแรกเห็นศพคนตายตอนนั้นก็ยุ ป, ประมาณสิบสองหรือสิบสามปี ไปงานศพของเพื่อนนักเรียนที่ตายไปจมน้ำตายไปเขานับถือศาสนาคริสเขาก็เลยมีพิธีกรรมของศาสนาคริสคือเขาจะแต่งศพให้สวยงามแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าสวยงามใส่สูตรผูกเนกไทแล้วก็วางไว้ในโรงศพแล้วก็เปิดฟ้าโรง ให้ผู้ที่มาคาวราวะศพได้เห็นศพกันตอนที่เราเห็นนั้นจิตของเรามันก็เกิดมโนามนัสติขึ้นมามันเริ่มพิจารณาว่าร่างกายของเขากับร่างกายของเรานี้มันก็เหมือนกันเขาตายเราต่อไปเราก็ต้องตายนอกจากเราแล้วทุกๆคน ที่เรารู้จักก็ต้องตายเหมือนกันคนที่เรารักเราเคารพคนที่เราไม่อยากให้เขาตายจากเราเขาก็ต้องตายจากเราไปเหมือนกันเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายจิตมันก็เจริญบ่อนับสติไปหมดนึกถึงใครก็นึกถึงว่าเขาก็ต้องตาย นึกถึงร่างกายของเราเราก็ต้องตายมันก็เลยเกิดความเตรียมตัวเตรี่ยนใจไว้ตั้งแต่บัดนั้นมาเวลาใครตายรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเสีย อ, อกเสียใจจะไม่ค่อยวุ่นวายใจร้ําำร้วสายใดอย่างใดนี่คืออานิสงส์ที่เราจะทำให้ผู้อื่นได้รับ ถ้าเราติดภาพตายของเราไว้ที่หน้าหลงศพเวลาที่เราตายไปให้สั่งให้ใครไว้ช่วยถ่ายภาพตอนที่เราตายแล้วก็เอาไปขยายตั้งไว้ที่หน้าหลงศพเวลาใครมาคารวะศพเขาจะได้เห็นศพ ข, ของเราแล้วเขาจะได้เกิดการเจ ร, รานานิญมรรณุสติขึ้นมา เดี๋ยนี้ไปงานศพนี้ไม่ค่อยได้จเจริญโมนาานุสติกันเพราะไม่เห็นศพภาพที่ติดไว้ก็เป็นภาพของคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเวลาไปถึงก็ไม่ได้คิดถึงคนตายเลยไปก็พบปะกับคนเป็นก็สนทนาปลาใสถึงเรื่องราวต่างๆกันแม้ขณะที่พระมาสวด กุศลาธรรมาก็ไม่มีใครตั้งใจฟังเป็นไม่รู้ว่าท่านสวดอะไรมีความหมายอย่างไรพระสวดไปญาติโยมก็คุยกันไปพอสวดเสร็จก็กลับบ้านกันไม่เกิดการเจริญมรณอนานุสติขึ้นมา เวลาเห็นความตายทีไรก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมมันตายของเราเช่นนอกจากเตรียมการเรื่องงานศพแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจพัดพลากจาก บุคคลต่างๆที่เรารักไปเราก็อย่าไปอยู่กับเขาอย่าไปอยู่ใกล้เขาวันนี้เป็นวันตายของเราเราไปหาที่อยู่คนเดียวไปตายคนเดียวเพราะเวลาเราไปเราไปคนเดียวเราเอาใครไปไม่ได้เราต้องคิดว่าเขากับเราต้องพัดพากจากกัน ฉะน้นเราไปหาที่สงบไปอยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้ทําใจของเราให้สงบได้ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่เรามีเหลืออยู่ก็เอาไปยกให้คนอื่นไปจะเอาไปทําบุญก็ได้ทําบุญที่วัดก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ที่โรงพยาบาลก็ได้ ให้ลูกหลานไปก็ได้เตรียมการให้พร้อมทำทานอันยิ่งใหญ่มีเท่าไหร่ก็ทำให้หมดแล้วก็ไปอยู่จำศีลไปรักษาศีลไปภาวนาไปทำใจให้สงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาพิจาราร่างกายว่า เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวร่างกายอันนี้ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเวลาเอาไปเผาก็จะเหลือแต่เศษกระดูกกับขี้เถ้านี่คือร่างกายของเรา ที่เราหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันก็เป็นเพียงเดินน้ำลมไฟเริ่มต้นด้วยดินน้ำลมไฟสองหยดหยดหนึ่งของคุณพ่อหยดหนึ่งของคุณแม่มาผสมกันแล้วก็มาขยายพันธุ์จากสองหยดก็เป็นสี่หยดจากสี่หยดก็เป็นแปดจากแปดก็เป็นสิบหก ขยายไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาอยู่ในท้องของแม่นี่เองนี่คือการขยายตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไปเริ่มจากน้ำของพ่อหหยดน้ำของแม่หนึ่งหยดพอมารวมตัวกันแล้วก็ขยายขยายตัวแตกแหนงออกไป จนเป็นอาการ32ได้รับ อ, า, อาหารหล่อเลี้ยงผ่านทางเส้นเลือดของแม่ก็เป็นเส้นเลือดที่มีดินน้ำลมไฟอยู่เข้ามาต่อเติมให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยพอเจริญเต็มที่ไม่สามารถ อยู่ในท้องแม่ได้ต่อไปก็คลอดออกมาแล้วก็มาขยายตัวต่อไปด้วยการเติมดินน้ำลมไฟเข้าไปลมก็คือลมหายใจนี้เองน้ำก็คือของเหลวต่างๆที่รับประทานเข้าไปดินกับไฟก็คือของแข็งอาหารต่างๆอาหารนี้ มีทั้งดินมีทั้งไฟมีทั้งน้ำมีทั้งลมผสมอยู่ในนั้นด้วยเมื่อเข้าไปในร่างกายก็ไปเปลี่ยนไปเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นอวัยวะต่างๆถ้าไม่ได้รับการต่อเตมิมธาตุทั้งสีน่นี้ร่างกายจะเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาไม่ได้ สมมติว่าพอข้อดออกมาแล้วก็ไม่เลี้ยงไม่ให้นมไม่ให้น้ำไม่ให้อาหารไม่ให้อากาศร่างกายก็จะต้องหยุดการเจริญเติบโตและจะต้องเสื่อมสลายไปก็จะกลายเป็นดินน้ำลมไฟไป ตั้งแต่วันที่ครอดออกมาแต่ถ้าได้รับการเติมท่าทั้งสี่อยู่อย่างเรื่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะเจริญเติบโตจากทารกก็เป็นเด็กจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนชราจากคนชราก็เป็นคนเจ็บจากคนเจ็บก็ เป็นคนตายนี่คือวิวัฒนาการของร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันมีการเจริญเติบโตมีมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเจริญเติบโตเติบโตแล้วก็แก่ชราภาพลงไป เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปตายไปก็สลายไปจากอาการสามสิบสองก็สลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปส่วนที่เป็นลมก็หายไประเหยออกไปส่วนที่เป็นไฟก็จางหายไปร่างกาย เวลามีชีวิตอยู่จะมีอุณหภูมิมีความอบอุ่นแต่พอร่างกายตายไปแล้วไม่หายใจร่างกายก็จะเย็นเฉียบน้ำก็จะมีการแยกไหลออกมาแล้วในที่สุดก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินหนังก็แห้งกรอบอวัยวะต่างๆก็แห้งเหือดแห้งไป กระดูกก็ยังเป็นกระดูกอยู่แล้วค่อยผุไปแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นดินไปหมดนี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองไม่ใช่เป็นหญิงไม่ใช่เป็นชาย ไม่ใช่เป็นนายกอนายขอนางงอนางขหรือเด็กชายปอเด็กหญิงขออันนี้เป็นสมมุติที่เราเรียกกับอาการสามสิบสองต่างๆกันความจริงแล้วก็เป็นเพียงอาการสามสิบสองที่ทำมาจากดินน้ำาลงมไฟ ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของผู้ที่มาเป็นเจ้าของก็เป็นเจ้าของชั่วคราวก็คือใจใจที่มาครอบครองร่างกายตั้งแต่ขณะที่มีการปฏิสนธิในขันของมารดาแล้วก็อยู่ติดกับร่างกายมาตลอดพอคลอดออกมาก็หลงไปคิดว่าร่างกายเป็น ตัวตนเป็นของตนพอเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอคิดว่าตนเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปกับร่างกายแต่หารู้ไม่ว่าความจริงตนนั้นไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่อย่างได แต่ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องคือไม่มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าร่างกายเป็นตนเป็นตัวตนจึงเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจเกิดเพราะอะไรเพราะเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เอง นี่ถ้าได้เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆจนเห็นความจริงใจก็จะปล่อยวางร่างกายใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายนี่คืองานของการเจริญมรณะนสติเพื่อให้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าไม่เจริญมนานัสติไม่พิจรารณาความตายก็จะไม่เห็นความจริงเหล่านี้ก็จะถูกมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบครอบงำใจหลอกให้ใจคิดว่าร่างกายเป็นใจแล้วใจก็วุ่นวายทุกไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ร่างกายก็เป็นเหมือนร่างกายของผู้อื่นดีๆเหมือนกันร่างกายของคนนั้นของคนนี้มีอาการ32าเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทำมาจากดินนะ้ำลมไฟเหมือนกันทำไมร่างกายของคนอื่นจึงไม่ทำให้เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ไปหลงคิดว่าเป็นของเรา น, นั่นเอง แต่ทําไมร่างกายของลูกของเราจึงทําให้เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปคิดว่าเป็นลูกของเราเนี่นเองไปหลงคิดว่าเป็นลูกของเราควาจริงเขาเป็นลูกของดินน้ําลมไฟพ่อแม่เขาก็คือดินน้ําลมไฟทํามาจากดินน้ําลมไฟแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับคืนสู่พ่อแม่ของเขาก็คือกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟ แต่พอมีความหลงมาครอบงมจิตใจก็ไปหลงคิดว่าเป็นของเราขึ้นมาพออะไรเป็นของเราแล้วก็เกิดความอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเพราะขาดปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไม่พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจงไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราว เป็นของที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปถ้ามีการจเจริญมนานัสสติจเจริญอนิจจังอยู่เรื่อยๆความหลงก็จะถูกทำลายไปความจริงก็จะปรากฏให้ใจได้รู้ได้เห็นพอใจได้เห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา เป็นของดินน้ำลมไปเราเพียงแต่มาอาศัยเขาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเขาต้องจากเราไปในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนเช่นวันนี้วันที่เรามาจเจริญ ม, มานานุสติกั น, นถ้าเราพร้อมที่จะตายวันนี้เราก็จะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์อีกต่อไป แต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะตายทุกวันที่เราอยู่นี้จะอยู่ด้วยความทุกข์ใจอยู่ด้วยความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวการพัดผ่านจากบุคคลและสิ่งที่เรารักไปแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะตายในวันนี้พร้อมที่จะจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเราชอบไป พร้อมที่จะจากบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบไปเราจะอยู่อย่างไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามเพราะเราพร้อมที่จะจากเขาตลอดเวลาพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ แต่ทำไมเราจรึงไม่มองกันเพราะเราไม่รู้ว่าการมองความจริงนี้จะช่วยทำให้เราไม่ต้องทุกกับความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นเรากลับไปกลัวความจริงกันไม่กล้ามองความจริงไม่กล้าดูความจริงกันพอเราไม่ดูความจริงเราก็ไปดูของปลอมกัน ดูว่าเราจะไม่แก่ดูว่าเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดูว่าเราจะไม่ตายกันของปลอมนี้มันสู้ของจริงไม่ได้ของจริงมันมีพลังมากกว่าของปลอมเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นความแก่เดี๋ยวมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาความเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาความตายมันก็ต้องโผล่ขึ้นมา เวลาโผลขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับมันเราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะทุกข์ใจถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บเราต้องตายพอมันโผลขึ้นมาเราก็ไม่เตื่นเต้นตกใจ ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาแน่นอนเราก็พร้อมที่จะต้อนรับเขาตลอดเวลาจึงไม่มีปัญหาอะไรก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่พระงเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพาดพลากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ไปไม่ได้ไม่มีใครร่วงพ้นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชามาหากษัตริย์มาหาเศษฐีปตานาทิปดีนายกรัฐมนตรีคนธรรมดาสามัญหรือคนขอทานข้างถนน เป็นเหมือนกันหมดอันนี้คือร่างกายของทุกทุกคนเป็นอย่างนี้ถ้าเราหมั่นจเจริญ ม, มานานสติเราจะมีจิตใจที่มั่นคงมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนกับความจริงต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมานี่คือ ภารกิจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ให้ออกไปจากใจของเราการเจริญมนานุสตินี้เป็นวิธีการดับทุกข์ไม่ใช่เป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเวลาที่เราพิจารณาหรือเจริญมนานุสตินี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหา เกิดจากโมหะาอาวิชชาที่มองไม่เห็นความจริงก็เลยต่อต้านความจริงอันนี้ถ้าเราสามารถทำให้โมหะาอาวิชชากิเลสตันหาที่ต่อต้านความจริงอันนี้ให้สงบตัวลงไปได้เวลาเราจเจรนาโ น, นสติเราจะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่จะเกิดความสงบใจขึ้นมาเพราะจะทำให้กิเลสตัณหาต่างๆนี้ล่มสลายหมดไปความหลงที่คิดว่าจะอยู่ไปตลอดก็จะหายไปความหลงที่คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็จะหายไปความอยากที่ไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายก็จะหายไปความหลงที่เกิดจากการไม่ให้บุคคลที่เรารักเราชอบจากเราไปมันก็จะหายไปมันก็จะสักแต่ว่ารู้รู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ร่างกายยังอยู่ก็รู้ว่ายังอยู่ตอนนี้ร่างกายหยุด จากการหายใจแล้วก็รู้ว่ามันหยุดหายใจแล้วตอนนี้คนนั้นคนนี้มีมยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้คนนั้นคนนี้ได้ตายไปแล้วก็รู้ไปตามความเป็นจริงจะไม่มีตัณหากิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอไม่มีกิเลสตัณหามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่าทาลายจิตใจ อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราสามารถเจริญมานานสติได้อย่างสม่าเสมอการที่เราจะเจริญมานา น, านสติได้อย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อที่ทำให้จิตของเราไม่หลงไม่ลืมไม่ให้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราไม่ให้ไปคิดว่าร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราก็ต้องมีใจที่สงบก่อนเพราะถ้าใจไม่สงบนี่กิเลสตัณหาจะมีกำลังแรงโมหะอวิชชาจะมีกำลังแรงจะต่อต้านจะสร้างความทุกข์เวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายจนไม่สามารถที่จะเจริญมรณานุนสติได้ไม่สามารถ พิจารณความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่สามารถเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่ความเจ็บความตายได้เราจึงต้องมาเจริญสติก่อนเพราะการเจริญสตินี้เป็นเครื่องมือที่จะกล่อมให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาถ้าใจสงบมีอุเบกขาเป็นที่ตั้งแล้ว กิเลสตัณหาโมหะวิอวิชชาจะสงบตัวลงไปจะไม่สามารถที่จะมาต่อต้านมาสร้างความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเวลาที่เราจจเจริญมนานนสติกันแต่ความสงบนี้ก็มีขอบมีเคตถ้าเราออกจากความสงบแล้วใหม่ๆ อุเบกขานี้จะมีกำลังมากเหมือนน้ำที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆน้ำยังเย็นเฉียบอยู่แต่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆเข้าไปความเย็นของน้ำก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆและหมดไปได้อุอเบกขาก็เป็นเหมือนความเย็นของใจเวลาออกจาก สมาธิมาใหม่ๆจะมีอุเบกขามากใจจะสั์แต่ว่ารู้จะเฉยๆจะไม่มีโมหะวิชากิเลสตัณหาออกมาเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งถ้าเราปล่อยให้เราคิดตรงแต่งไปเรื่อยๆเดี๋ยว อุเบกขาก็จะค่อยอ่อนกำลังลงไปจางลงไปแล้วกิเลสตัณหาก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นมาก็จะออกมารบกวนการพิจารณาการเจริญวานนาสติเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆตอนที่จิตสงบเย็นสบายเป็นอุเบกขาจึงเป็นเวลาที่สมควร ที่เหมาะต่อการจเจริญปัญญาเป็นอย่างยิ่งควรจเจริญมานาโนสติการเจริญเตรียมตัวเตรียมใจสมมุติว่าวันนี้เป็นวันตายของเราเราต้องเตรียมอะไรไว้บ้างมีอะไรขัางค้างอยู่ก็ทําให้มันเสร็จสับไปมีหนี้มีสินมีอะไรก็เอาไปใช้คืนเข้าไปเพราะถ้าไม่ใช้เขา ตายไปก็เหมือนกับเราเป็นโจรเป็นขโมยลักทรัพย์ของเขาไปขอยืมเงินเขาแล้วไม่คืนเงินให้กับเขาก็เป็นเหมือนกับการทำบาปก็จะมีโทษติดตัวไปได้ดังนั้นเรามีอะไรค้างค้างอยู่ติดค้างอยู่กับใครควรจะทำให้มันขาดออกจากกันให้ได้มีความรักมีความหวง มีความห่วงใยในบุคคลใดในสิ่งใดต้องตัดให้ได้ตัดไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นจิ้งจบมาเป็นตุ๊กแกในบ้านเพราะความรักความหวงความห่วงใยในสิ่งนั้นในสิ่งนี้หรือในบุคคลนั้นในบุคคลนี้ได้กลับมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับมาเขาก็จำหน้าเราไม่ได้เลยแล้ว เม่อก่อนเรามีหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้พอกลับมาคราวนี้เรามีหน้าตาอีกอย่างมีรูปร่างอีกอย่างหนึ่งถึงแม้จะไปไปร่องไปอะไรไปบอกเขาไปทักเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเสียแล้วกลับมาก็จะกลับมาด้วยความเสียใจเพราะเขาไม่สนใจเราแล้วเขาไม่รู้จักเราแล้วเขามีใหม่แล้วก็ได้ เขาอาจจะมีแฟนใหม่แล้วก็ได้เรากลับมาก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาอีกต่อไปดงนั้นก่อนที่เราจะตายควรจะตัดความผูกพันต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปอย่าไปผูกพันกับใครต้องคิดว่าไม่ช้าก็เร็วเรากับเขาก็ต้องจากกันถ้าเป็นวันนี้เราก็ควรที่จะพร้อมอให้จากกัน ถ้าเราพร้อมที่จะจากกันแล้วเวลาจากกันจะไม่ทุกข์เลยจะไม่ร้องไห้ร้องหอบร้องไห้เข้าโศกเสียใจจะไปอย่างสบายไปอย่างสุขโตไปสู่สุขติได้งั้นต้องพยายามระลึกเสมอว่าวันนี้เป็นวันตายของเราเราจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ เราตายไปเขาก็อยู่ได้ <c oughs> เขาอยู่จะอยู่ได้อย่างไรก็เรื่องของเขาเรื่องบุญเรื่องกรรมของเขาถ้าเขามีบุญเขาก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้ถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็ต้องอยู่แบบตามกรรมของเขาไปเราก็ไปทําอะไรไม่ได้นี่คือประโยชน์ในสิ่งที่จะทําให้เราทําได้ ถ้าเราเลิกถึงความตายถ้าเราสมมุติว่าวันนี้เป็นวันตายของเราเราจะกล้าทําในสิ่งที่เราไม่กล้าทํามาก่อนที่เราไม่กล้าทําเพราะเราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราจึงต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีบุคคล น, นั้นมีบุคคล น, นี้กลัวว่าถ้าไม่มีแล้วเราจะทุกข์เราจะวุ่นวายใจแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นตรงกันข้ามกัน การมีอะไรนี่แหละเป็นการมีความทุกข์การไม่มีอะไรนี่แหละเป็นการไม่มีความทุกข์ดูพระทั้งหลายท่านมีอะไรกันบ้างเพราะท่านมีปัญญาท่านจึงมองเห็นว่ามันเป็นความทุกข์แต่พวกเรามันมีโมหะมีความหลงมันจึงเห็นว่าเป็นความสุขกันจึงต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีบุคคลนั้นมีบุคคลนี้ แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็มีแต่ความทุกข์กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่กับมองไม่เห็นทุกข์ขนาดไหนก็มองไม่เห็นว่ามันทุกข์กับเห็นว่ามันดีกับเห็นว่ามันสุขต้องมีนี่เพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่มีความสงบถ้าเรามีความสงบเราจะเห็นความจริงได้ชัดเจน เราจะเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราแต่ถ้าใจเราไม่สงบนี้เราจะมองไม่เห็นเพราะใจเราจะไม่มองเข้ามาที่ใจใจเราจะมองออกไปที่ข้างนอกแล้วเราจะไปหลงคิดว่า บ, นนบุคคล น, นั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราเราจะไม่เห็นเวลาที่เขาให้ความทุกข์กับเรา ฉะนั้นเราต้องเจริญสติกันอยู่เรื่อยๆฝึกเจริญสติไม่ว่าจะเป็นสติแบบไหนก็ได้มรณานุสสติก็ได้ถ้าเราไม่มีความกลัวความตายพิจารณาเจริญความตายได้ก็พิจารณาไปว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาไม่ได้เจริญมรณานุสสติไม่ได้ ก็ให้ใช้สติอย่างอื่นเช่นใช้พุทธานุสติก็ได้ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือจะเจริญธรรมานุสติก็ให้สวดบทธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปก็ได้สวนพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งไปท่องไปสวดไปใจก็จะเย็นใจก็จะสงบ เวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่อุเบกขาได้พอมีอุเบกขาแล้วเวลาออกมานี้ก็จะสามารถเจริญมอนานุสติได้คิดถึงความตายได้เตรียมตัวตายได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับกับความสูญเสียได้แต่มันก็จะได้ในระยะหนึ่ง พอไม่นานพออุเบกขาเลื่นอ่อนกำลังลงไปกิเลสตัณหาก็จะออกมาส่งความรู้สึกที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นตอนนั้นก็ควรจะหยุดเจริญปัญญาหยุดเจริญมานานสติหยุดเตรียมตัวตายแล้วก็กลับเข้าไปสู่สมาธิเพื่ อ, อเติมพลังของอุเบกขาใหม่ เราเคยเข้าสมาธิได้อย่างไรเราก็ใช้วิธีนั้นถ้าใช้บริกรรมพุทธโธก็กลับมาบริกรรมพุทธโธใหม่ถ้าใช้อนาปานาสติดูลมหายใจเข้าออกก็กลับมาดูลมหายใจเข้าออกใหม่หยุดการพิจารณาความตายหยุดการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกับความตายไว้ชั่วคราวเพราะตอนนั้นใจเริ่มฝ่อแล้วใจเริ่มไม่มี ความอยากที่จะรับที่จ ะ, ะเผชิญกับความตายแล้วก็ต้องกลับมาเสริมกําลังของอุเบกขาใหม่พอได้อุเบกขาแล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่ไปจนกว่าใจจะยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้พอยอมรับได้แล้วทีนี้ก็จะไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับความแก่กับความเจ็บกับความตายต่อไป ไม่ว่าจะคิดกี่ครั้งกี่รอบเมื่อไรก็ตามคิดถึงความตายก็จะเฉยคิดถึงความแก่ก็จะเฉยคิดถึงความตายก็จะเฉยไม่ทุก์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายตอนนี้ก็จะรู้ว่าตนเองพร้อมที่จะเข้าห้องสอบแล้วทีนี้ก็ต้องไปหาสถานที่สอบดูไปหาของจริงดู เพราะการพิจารณานี้เรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงยังไม่ได้เข้าห้องสอบถ้าเป็นนกมวยยังโชกกระสอบตายอยู่ยังโชคกับคู่ซ้อมอยู่ยังไม่ได้เจอกับคู่ต่อสู้จริงถ้าอยากจะเจอกับคู่ต่อสู้จริงว่าจะชิงแชมป์ได้หรือเปล่าก็ต้องขึ้นเวทีต้องนัดกับคู่ต่อสู้ไว้ว่าวันนี้วันนั้นเราจะพบกันนะ เราจะได้รู้กันว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นแชมป์ถ้าเราคิดว่าเรามีมรณานุสติเต็มที่แล้วเราก็ไปท้าทายกับกิเลสตัณหาไอตัวที่กลัวความตายว่าพร้อมหรือยังที่จะมาเจอกันพร้อมแล้วก็ไปหาเวทีเวทีไหนกลัวอะไรก็ไปหาที่นั่นกลัวผีก็ไปอยู่ป่าชา้า กลัวสิงกลัวเสือกลัวสัตว์ก็ไปอยู่ในป่าไปกันเลยไปพบกันที่นั่นแล้วก็จะเลยรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์กันถ้าเขายังชนะเราอยู่ก็แสดงว่าเรายังทำการบ้านไม่พอกำลังเรายังไม่มากพอไปแล้วใจสั่นฟันแขวนเจอผีเจอสิงสาราสัตว์แล้วใจสั่นไม่สงบไม่นิ่ง ไม่เป็นอุเบกขาก็แสดงว่าออสู้กิเลส ต, ตัณหาไม่ได้ตัวที่ทําให้ใจเราสั่นขวัญแขวนอยู่นี่ก็คือตัวกิเลส ต, ตัณหาคือตัวที่ไม่อยากตายนี่เอตัววิภาวะตัณหาความไม่อยากตายแสดงว่าปัญญาของเรายัางไม่ชัดยังไม่แจ้งยังไม่เห็นชัดว่ามันเป็นอนิจจัง ทุกครังอนัตตายังไม่เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรายังไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่ยังไปคิดว่ามันตายไม่ได้มันต้องตายไม่ได้ยังไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังอยู่อย่างนั้นก็ต้องกลับมาทำการบ้านใหม่กลับมาเจริญสติเข้าสมาธิใหม่ทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาพอออกมาก็พิจารณาใหม่ ทำไปใหม่ทำแล้วซทำเองไปเรื่อยๆแล้วก็กลับไปเข้าล่อห้องสอบใหม่ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันจะต้องได้อย่างแน่นอนพอได้แล้วทีนี้ก็จะหมดปัญหากับความตายหมดปัญหากับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บนี้ต้องก็ต้องเข้าห้องสอบเหมือนกัน ต้องให้มันเจ็บจริงๆแล้วร ja. ู <It> ้ว <É. S 2> ่าดูเสว่ารับมันได้หรือเปล่าปล่อยมันได้หรือเปล่าปล่อยให้มันเจ็บได้หรือเปล่าไม่ไปอยากให้มันหายได้หรือเปล่ามันจะหายก็ปล่อยมันหายเองเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วมันเจ็บก็อย่าไปขยับมันปล่อยให้มันเจ็บไปเรื่อยๆดูที่ใจว่าใจเราไปทุกข์กับมันหรือเปล่า ถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังมีความอยากให้มันหายนั่นเองก็ยังไม่เห็นอนัตตาว่ามันเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศฝนฟ้านี่เราไปบังคับให้ตกหรือไม่ตกได้หรือไม่เราไม่ไปยุ่งกับฝนฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่าไปยุ่งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยากไม่ให้ฝนตกก็ไม่ได้ วฝนมันจะตกมันก็จะตกไปอยากให้มันหยุดก็อยากไม่ได้ถ้ามันยังไม่หยุดมันก็ยังไม่หยุดนะฉันใดความเจ็บของร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเราไปยุ่งกับเขาเองไปอยากให้เขาหายเองพอยิ่งอยากหายก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาในใจ ที่ทนไม่ได้นะั้นไม่ใช่ที่ความเจ็บของร่างกายแต่ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปถ้าละความอยากความให้ความเจ็บหายไปได้ด้วยการเห็นความจริงว่าความเจ็บนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของร่างกายไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ได้เห็นแล้ว หยุดความอยากให้เขาหายได้หายไปได้ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะเจ็บจะปวดไปทั่วสพางร่างกายก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ไปไม่ไปเจ็บกับร่างกายใจไม่ไปทุกกับร่างกาย เพราะใจไม่มีความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเพราะรู้ว่าถ้าเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะเกิดความทุกข์ทรมารใจขึ้นมานั่นเองนี่ก็เป็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งนอกจากความตายแล้วก็ต้องความเจ็บต้องทำข้อสอบทั้งสองข้อนี้ให้ผ่านให้ได้ถ้าผ่านแล้วเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่จะตายหรือไม่ก็จะไม่เป็นปัญหาจะไม่ข้ามความทุกข์ให้แก่ใจแต่อย่างใดนี่คือการปฏิบัติทำปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากถ้าอยากจะให้ความทุกข์ดับไปก็ต้องละความอยากให้ได้ การจะละความอยากได้ให้ได้ก็ต้องเห็นปัญญาเห็นความจริงเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาในสิ่งที่เราไปทุกข์ด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเขาทุกข์เช่นร่างกายเราไม่รู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์เราคิดว่าร่างกายเป็นสุขเราจึงอยากจะมีร่างกายกันอยากจะให้ร่างกายอยู่กับเราไปนานๆแต่ร่างกายมันไม่เที่ยม พอมันไม่เที่ยงมันก็ทำให้เราทุกข์เวะลาร่างกายแก่เราก็ไม่สบายใจเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่สบายใจเวลาร่างกายตายไปเราก็ไม่สบายใจเพราะเราไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายนั่นเองแต่เราห้ามเขาได้หรือเปล่านี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตาย พอเราไม่ห้ามเราก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้เราก็จะอยู่ไปอย่างสบายจนวันสุดท้ายของชีวิตของร่างกายอห่นี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราหมั่นเจริญมานาโนสติกันอยู่เรื่อย ถ้ายังเจริญมา น, านุสสติไม่ได้ก็ต้องเจริญสติอย่างอื่นไปก่อนอเช่นพุทธานุสสติหรือธรรมานุสสติหรือกายะกะตาสติคือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวาการทำอะไรต่างๆของร่างกายเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งเพื่อดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปอดีตไปอนาคตเพราะใจจะสงบได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบัน ใจจะเป็นอุเบกขาใจต้องอยู่ในปัจจุบันใจต้องระ ง, งับความคิดปรุงใจถึงจะสงบถึงเป็นอุเบกขาได้พอมีอุเบกขาแล้วก็ใช้การเจริญปัญญาได้เจริญมโนนัสติได้พอเจริญมโนนัสติได้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาย่อมต้องดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บของร่างกายเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปถ้าไปอยากให้เขาไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าเขาเกิดแล้วอยากจะให้เขาดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกันใจต้อง รักษาอุเบกขาไว้ตลอดเวลาให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นรู้ตามความเป็นจริงของร่างกายรู้ตามความเป็นจริงของความเจ็บของร่างกายคือเวทนาถ้ารู้เฉยๆแล้วจะไม่ทุกข์ใจถ้ารู้แล้วเกิดความอยากให้เขาไม่เจ็บอยากให้เขาหายก็จะทุกข์ใจขึ้นมาอยากให้เขาไม่ตายก็จะทุกข์ใจขึ้นมา นี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติวัดการที่ความทุกข์ใจนีเ่เวลาปฏิบัติเราจะรู้เองว่าเราต้องทำอย่างไรเวลาเกิดความทุกข์นี่เราจะรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรก็คือเราจะต้องละความอยากหรือไม่ละความอยากถ้าละความอยากเราก็จะรู้ว่าเราจะไม่ทุกข์ถ้าไม่ละความอยากเราก็ยิ่งทุกข์ใหญ่การจะละความอยากก็คือต้องปล่อยวา เราปล่อยร่างกายได้หรือเปล่าปล่อยให้มันเจ็บได้หรือเปล่าปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลาปฏิบัติไปนี้มันจะรู้เองมันจะเห็นทางเลือกมันต้องรู้ว่าจะต้องเลือกทางไหนเวลาปฏิบัตินี้ไม่ต้องถามใครเหมือนกับเวลาขึ้นไปโชคบนเวทีนี่ไม่มีเวลาจะถามโค้ชว่าตอนนี้จะต่อยแบบไหนดี เขามาบัณเข้ามาแบบไหนเราก็ต้องรู้จากวิธีต่อสู้ของเขาถ้าเราไม่รู้เราก็จะต้องแพ้เขานี่แหละเป็นเรื่องที่เรียกว่าสันติโกผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตนเองยังทุกข์หรือไม่ทุกข์ตนเองหลุดพ้นแล้วหรือ ย, ยังไม่หลุดพ้นเหมือนกับการรับประทานอาหารใครจะไปรู้ดีกับเราว่าอิ่มหรือยัง ไปถามแม่ว่าแม่หนูกินข้าวอิ่มหรื อ, อยังแม่จะไปรู้ได้ยังไงแม่มีหน้าที่ป้อนก็ป้อนไปหนูก็มีหน้าที่กินก็กินไปถ้ากินไม่ลงมันก็อิ่มนั่นแหละนันใดถ้าปฏิบัติไปถ้ามันยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังยังไม่สําเร็จถ้ามันไม่ทุกข์แล้วมันก็จะรู้เองว่าสาเร็จแล้วเสร็จภารกิจแล้ว นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่พวกเรามาปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องก็ขอให้ได้นำเอาวิธีการเจริญมรณ น, นุสติในวันนี้ไปเจริญไปพิจารณาต่อเพื่อประโยชน์คือความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโตปนะระโสยทานมณิโชติระโสยทาสัพพิตโยวิวาจาันโสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานัสสีลิสะนิจังวุฒาปจายโน จัตตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะ ใครอยากจะถามธรรมะข้อไหนก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ใครต้องการถามไหมครับตัวนี้มีใครถามเลยไหมครับถามไหมครับถ้าไม่มีก็จะตอบปัญหาทางบ้านไปก่อนทางอินเทอร์เน็ต ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและกลุ่มธรรมะบนเขานะครับจากคุณเทียนนะครับทำไมนักปฏิบัติธรรมมากๆแล้วกลับมีความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเป็นเพราะกระบวนการเรียนการสอนธรรมะมุ่งสัมมาสมาธิโดยไม่เริ่มให้เข้าใจในสัมมาธิฏฐิมีทางแก้ไขไหมครับถ้าเรียนผิด การปฏิบัติมันก็ผิดผลมันก็ผิดวิธีแก้ไขก็ต้องเรียนให้มันถูกเรียนให้ถูกก็ต้องไปหาคนที่สอนถูกคนสอนถูกเขาก็จะสอนให้ปฏิบัติถูกพอปฏิบัติถูกผลมันก็ถูกดังนั้นต้องหาคนที่รู้จริงเห็นจริงเช่นคนอย่างพระพุทธเจ้าหรือคนอย่างพระสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านถึงสาลว่าให้ยึดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นบุคคลอื่นไม่ใช่เป็นสาระเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งของเรามีเพียงอันเดียวคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นเราต้องหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เจอเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราเจอกันทัวันนี้มันเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปลอมยังไม่ใช่เป็นของแท้ของจริง การที่เราจะรู้ว่าของแท้ของจริงเป็นยังไงเราก็ต้องศึกษาก่อนการจะศึกษาเหมือนกับเราจะไปซื้อเพชรนินจินดาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเพชรปลอมเพชรจริงเป็นยังไงไปซื้อก็ถูกเขาหลอกก็ได้แต่ของปลอมมาเราอยากจะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงก็ต้องไปศึกษาวิธีดูของจริงว่าเป็นยังไงสมัยนี้ก็ไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้เขาก็มี การสั่งการสอนต่างๆของพระพุทธศาสนาก็ค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตเข้าไปหาพระสูตรของพระพุทธเจ้าก่อนอันนี้ของจริงพระสูตรอันแรกคืออะไรพระปฐมเทศนาทำมาจากกับวัตนสูตรทรงแสดงอะไรไว้ทางสายกลางมรรคที่มีองแปะองแปะเริ่มต้นด้วยอะไรสัมมาทิฏฐิ ถ้าเขาไม่ได้แสดงสัมมาทิฏฐิก็ค้นหาสัมมาทิฏฐิต่อไปว่ามีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิก็มีหลายระดับระดับต่าระดับพื้นเพก็คือบุญมีจริงนรกมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงบาสมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงสวรรค์เป็นผลของบุญนรกเป็นผลของบาปการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดตามบุญตามบาปที่ได้ทำาไว้ถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องละกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของภพของชาติทั้งหลายอันนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นไปก็จะเห็นว่าภพชาติเกิดจากตัณหาความอยากความทุกข์ที่เกิดจากภพชาติก็เกิดจากตัณหาความอยาก ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องละตัณหาให้ได้จะละตัณหาได้ก็ต้องมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่ก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิทั้งนั้น ถ้าศึกษาค้นคว้าก็จะรู้จะมีสัมมาทิฏฐิแล้วเวลาปฏิบัติจะได้ปฏิบัติให้มันครบถ้วนขบวนการมักคือการการปฏิบัติมักก็ต้องมีครบทั้งแปดองค์ด้วยกันมักไม่ใช่มีแต่สัมมาสมาธิอย่างเดียวหรือมีแต่ศีลอย่างเดียวมันมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา มีทั้งทานถ้าศึกษาดีๆแล้วจะจะรู้จากทางที่พระเจ้าส่งสอนพอรู้แล้วเทนี้ก็จะไม่หลงลจะใ้ใครมาสอนในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมดังนั้นเราต้องเข้าหาของจริงศึกษาวิธีดูของจริงว่าดูอย่างไรว่าของนี้เป็นของจริงหรือไม่คําสอนนี้เป็นความจริงหรือไม่ เป็นความเป็นทางที่จะนําไปสู่ความดับทุกข์ได้หรือไม่อย่างที่มีปาริพาชกที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าจ ะ, จะเสด็จปาริณิพานพระ mm hmm. อานนุ์ก็ไม่อยากจะให้เข้าไปรบกวนแต่พระพุทธเจ้าทรงได้ยินก็บอกว่าปล่อยเขาเข้ามาก็าอยากจะถามปัญหาเขาอยากจะถามว่า มีคำสอนมีของนักที่ต่างๆมากมายเราจะเป็นรู้ได้ยังไงว่าคำสอนของนักที่ต่างๆเหล่านี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่บอกว่าต้องเป็นคำสอนของเราแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคำสอนใดที่มีมากเป็นองค์แปดคำสอนนั่นแหละจะเป็นคำสอนที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้ ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้คนไทยเหล่านี้สู้ฝลั่งไม่ได้ฝลั่งนี้เขาศึกษาไปถึงแก่นของศาสนาเวลาเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยนี้เขารู้ว่าเขาต้องมาทําอะไรเขารู้ว่าเขาต้องมาปฏิบัติมรรคแปดกันแต่พวกเราคนไทยอยู่อยู่กับศาสนาพุทธเหมือนพวกใกล้เกลือกินแดกไม่รู้ว่ามรรคแปดนี่อะไรบ้างปฏิบัติกันไม่ถูก แล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมาอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เพราะชาวพุทธเราไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะกันมีใครจบนักธรรมตรีบ้างไหมมีแต่จบปริญญาตรีโทเอกกันเกอนบ้านเกอนเมืองแต่นักธรรมตรีแค่เรียนแค่สามเดือนแค่นี้ไม่มีใครเรียนกันไม่มีใครสนใจที่จะศึกษากันแล้วก็ถูกข้อหลอกกันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวาศาสตราดาวนั้นก็มาโผล่ให้หลอกาศาสตราดาวนี้ก็โผล่มาให้หลอกสอนให้ทําอย่างนู้นสอนให้ทําอย่างนี้ก็ทํากันไปเดี๋ยวก็มีเครื่องรางของถังรุ่นใหม่ออกมาอีกช่วงนี้เงียบไปหน่อยเดี๋ยวพอยักระยันหนึ่งก็พอลืมกันไปหมดแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ออกมารุ่นวิเศษกว่าเก่าออกมาอาจจวก็เห่กันไปซื้อไปจองกันอีก วันนี้เพราะว่าไม่เคยสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคาสอนไม่เข้าหาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์กันนี่คือคำตอบของปัญหาที่ถามมาคำถามข้อต่อไปจากคุณชิรันธนินนะครับนั่งสมาธิแบบสมถกรรมฐานบริกรรมโดยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทตามลมหายใจตลอดเวลาบางช่วงเวลากำหนดไม่ทันลมหายใจ ขาดเป็นช่วงๆมีฟุ้งซ่านเข้ามาก็หยุดบริกรรมไปกำหนดรู้ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆบางทีกำหนดรู้นานมากฟุ้งซ่านไม่หายครับแก้ไขโดยวิธีอื่นมีวิธีใหม่ครับมันก็ต้องอยู่กับพุโทโธนั่นแหละมันถึงจะหายพอไม่อยู่กับพุโทโธมันก็ฟุง้งพอฟุ้งแล้วไปดูความฟุง้งมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่แทนที่จะกลับมาหาพุโทโธไม่กลับมา เวลาบริกรรมพุทธโธก็ไม่ต้องไปดูลมมันจังหวะมันไม่ตรงกันบางทีเราต้องการที่จะบริกรรมพุทธโธให้ถี่มันก็ถี่ไม่ได้เพราะลมหายใจมันช้าหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทแต่ระหว่างนั้นไอความคิดปรุงแต่งมันก็แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะไม่ให้มันแทรกเข้ามาก็บริกรรมพุทธโธให้มันเร็วขึ้นให้มันถี่ขึ้น อย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาไม่ได้มันก็จะไม่ฟุง้งฉั้นถ้าใช้พูดเข้าโทออกนี้มักจะไม่ค่อยได้เรื่องควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าจิตสงบจิตเบาไม่คิดมากดูลมก็จะดูได้ถ้าจิตยังคิดมากดูลมจะดูไม่ได้ก็ต้องใช้บริกรรมไปก่อนบริกรรมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไม่ได้ก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนก็ได้จิตมันมีความฟุ้ง สายระดับด้วยกันระดับที่มันแรงเราก็ต้องใช้ยาที่แรงพอกับมันเช่นมันฟุ้งมากดูลมไม่ได้พูดโทไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนหรือสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกระทั่งมันเหนื่อยมันไม่อยากจะสวดพ่านนั้นความฟุ้งมันก็จะเหนื่อยตามไปด้วยมันก็จะจะเหนื่อยคิดไปด้วยท่านนั้นเราก็กลับมาที่พุโทโธได้แล้วกลับมาที่การดูลมหายใจเข้าออกได้ ไม่ใช่เวลาฟุ้งแล้วกลับไปดูความฟุ้งมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่คำถามข้อต่อไปจากคุณสนามพลนะครับการปฏิบัติธรรมเป็นการปล่อยวางให้ทุกอย่างหยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่งและพิจารณาตนเองหรือเปล่าครับในเบื้องต้นก็มันก็สงบได้ชั่วขณะหนึ่งแต่เป้าหมายก็คือให้มันสงบตลอดเวลา ตั้งแต่ตลอดเวลาคือไม่มีเวลาไหนที่มันไม่สงบอันนั้นนะคือเป้าหมายที่แท้จริงแต่ในเบื้องต้นมันก็จะสงบได้แค่ชั่วขณะหนึ่งแล้วหลังจากที่ออกมาจากความสงบนั้นก็สามารถใช้ความสงบนั้นมาพิจารณาทางปัญญาได้เพื่อที่จะรักษาความสงบให้อยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแต่ ในที่สุดมันก็จะหายไปความสงบก็จะหายไปก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทำให้มันสงบนานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆสงบได้นานเท่าไหร่ก็พิจารณาด้วยปัญญาได้นานมากขึ้นก็จะรักษาความสงบที่เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิได้นานมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะสงบตลอดเวลาได้คำถามข้อต่อไปจากคุณหน่อยนะครับ ลูกได้ยินจากผู้เข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งเขาบอกว่าตนเองคืออดีตพระอรหันต์เทลีองค์หนึ่งลูกเองก็ตองดูแล้วว่าไม่น่าใช่พูดพ้นกิเลสทั้งปวงจะกลับมาเวียนไหวอีกแต่ลูกก็ไม่ลึกซึ้งยังเวียนไหวอยู่เช่นกันจึงกลับเรียนถามมายังหลวงพ่อผู้รู้เพื่อให้ความกระจ่าง ต้องถามเขาว่าเ็าเป็นอรหันต์ของศาสนาไหนเพราะว่าคำว่าอารหันต์นี่มันแปลได้หลายแบบศาสนาพิ์เขาก็มีอรหันต์ของเขาเพระฉนั้นคำแปลภาษานี่บางทีมันก็สับสนได้แต่ถ้าเป็นอรหันต์ของศาสนาพุทธนี้ตายแล้วไม่กลับมาเกิด เ, เพราะไม่มีเชื้อของภพชาติที่จะทำให้เกิดอีกต่อไปเหมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาไปขายหมด ปีหน้าก็ไม่มีมเมล็ดที่จะมาเพาะปลูกต้นข้าวใหม่มันก็จะไม่มีข้าวโตขึ้นมาใหม่นี่คือพระอ า, ารณ์ในของพระพุทธศาสนาภพชาติของของเชื้อของภพชาติเหตุที่ทำให้กลับมาเกิดก็คือกิเลส ต, ตัณหานี่เองแต่ผู้ที่เป็นพระอ า, ารณ์ในศาสนาพุทนี้เป็นผู้ที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลง ไม่มีตัญหาความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกแล้วเมื่อไม่มีเชื่อแล้วมันจะมีพบชาติตามมาได้อย่างไรฉะนั้นคนที่มาพูดนี้ก็แสดงเอาความโง่เขามามาขายให้คนอื่นเขาดูคนที่ไม่รู้ก็อาจจะหลงไหลข้างใครไปเชื่ออย่างงมงายไปแต่คนที่มีการศึกษาได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระเจ้าก็จะรู้ว่าอันนี้ของปอมร้อยเปอร์เซ อย่างล่าสุดนะครับในโซเชียลครับาชาวเขเมร น, นะครับร่างทรงพระพุทธเจ้ากับชาติมาเกิดครับอาจารย์อย่างว่าพระพุทธเจ้าของศาสนาไหนคำถามข้อต่อไปจะคุณเบิร์ตนะครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้ข้อที่หนึ่งภาวนาตอนแรกต้องบังคับลมหายใจหรือควรจะตามรู้ลมหายใจ ลมหายใจไปไม่ต้องบังคับเขาเราต้องการใช้ลมหายใจเป็นที่เกาะของใจลมหายใจจะหยาบจะละเอียดจะถี่จะไม่ถี่จะช้าหรือจะเร็วนี้อย่าไปบังคับดูไปตามความเป็นจริงเฝ้าดูเฉยๆการเฝ้าดูนี้จะทำให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่เฝ้าดูเดี๋ยวมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั้นลมหายใจนี้เราไม่ต้องไปบังคับเขา เราต้องการเกาะเขาอาศัยเขาเป็นที่ผูกใจไว้เท่านั้นเองเพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้รู้อยู่ที่จุดเดียวให้เลือกอยู่จุดไหนที่เราเห็นลมได้ชั้นที่ปลายจมูกหรือที่กลางอกก็ได้บางสำนักก็สอนให้ดูที่กลางอกแล้วก็ให้พูดว่ายุกหนอพองหนอ เวลาลมเข้าไป อ, อกมันก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกมามันก็จะยุบลงไปแต่จะใช้คาว่ายุบหนอะพองหนาหรือไม่ก็ไม่สำคัญสำคัญก็ว่าขอให้รู้อยู่ตลอดเวลาทุกขณะของการเคลื่อนไหวของลมว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าไปหรือกำลังออกมาลมหายใจถี่หรือหายใจไม่ถี่หายใจเร็วหรือไม่หายใจเร็ว ลมจะละเอียดหรือลมไม่ละเอียดลมจะหายไปก็ให้รู้ต่างความเป็นจริงถ้าเจอลมละเอียดหายไปก็อย่าไปตกใจกลัวว่าเราจะตายหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจถ้าคิดอย่างนี้จิตก็จะถอยออกมาจิตกําลังจะเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ก็เข้าไม่ได้เพราะความกลัวตายกลัวว่าไม่มีลมหายใจแล้วจะจะตาย ขอให้ทําความเข้าใจว่าถ้าตราบใดมีผู้รู้มีสติเฝ้าดูลมอยู่ใจไม่ตายร่างกายก็ไม่ตายเพียงแต่ลารมอาจจะละเอียดจนไม่สามารถรับรู้ได้เท่านั้นเองแต่ร่างกายรับรองได้ว่าไม่ตายเพราะผู้ที่ดูลมมามีไม่กี่ไม่รู้กี่ล้านหลายกี่ล้านหลายแล้วไม่มีใครตายจากการดูลม ไม่ได้ตายจากการที่ลมละเอียดหายไปจากการรู้จากความรู้สึกให้รู้เฉยๆต่อไปว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วก็ให้รู้อยู่กับความว่างก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวใจมันก็จะวุบเข้าไปสู่ความสงบเองนี่คือการดูลมหายใจข้อที่สองการเพ่งดูลมหายใจหมายถึงอะไรยังไม่เข้าใจพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยครับ ก็อธิบายไปแล้วเลยข้อที่สามผู้ที่จะมาเกิดในพระพุทธศาสนาต้องมีบุญจึงจะมาเกิดได้ใช่หรือไม่แล้วคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเขาจะต้องทําบุญมามากแล้วด้วยหรือไม่ก็การที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่เพียงแต่บุญอย่างเดียวบุญนี้จะทําให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่การที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเจอกับพระพุทธศาสนานี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญอย่างเดียวมันต้องขึ้นอยู่กับการมีพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตารัสโลแล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญที่เราทําอันนี้มันต้องถือว่าเป็นเรื่องของ ดวงใชแล้วเป็นของความเฮงใชแล้วเหมือนถือลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะไปว่ามันเป็นบุญอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะคนอื่นเขาทาบุญมากกว่าเราทําไมเขากลับไม่ถูกเราทําบุญน้อยกว่าเขาทําไมเขาถูกเพราะมันต้องมีทั้งบุญมีทั้งความเฮงมี ม, มีคือมีความ ม, วา ม, มีโชควาสนาก็พูดไปอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นอนัตตา ที่เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ในครั้งต่อไปหรือจะได้พบอีกครั้งหนึ่งอีกเมื่อไหร่อีกนานสักเท่าไหร่ตอนนี้เราพบแล้วเราอย่าไปปล่อยให้มันหลุดจากมือเราไปตอนนี้เราสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ถ้าเราไม่เอาตอนนี้แล้วเราจะไปรอตอนไหน ครั้งต่อไปมันอีกจะกี่กลับก็ไม่รู้กี่อสงไขยก็ไม่รู้แล้วเวลาเจออีกจริงๆก็จะเป็นแบบนี้ก็ยังไม่อยากจะปฏิบัติอีกอยู่ดีแล้วมันเจอพระพุทธศาสนากี่ครั้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเจอแบบนี้ถ้าเจอแล้วมันต้องเจอแบบครูบาอาจารย์เจอกันเจอแล้วกันออกบวชกันปฏิบัติกันบรรลุธรรมกันถ้ามันต้องเจอกันแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นบุญเป็นวาสนา เป็นประโยชน์กับเราถ้าเจอแล้วก็เหมือนเดิมยังเล่นการพนันอยู่ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ยังดื่มสุราอยู่ไม่เจอไปทาไมเจอไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้อต่อไปจากคุณเถียนนะครับปัจจตังจะทราบได้ยังไงว่าถูกต้องถูกตรงในเมื่ออ้างกันรู้ด้วยตนเองก็รู้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยเวลาปฏิบัตินี้ให้ดูตัวนี้ตัวเดียว ว่าเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็อย่างก็ยังแสดงว่ายัางไม่ถึงที่ยังเหมือนกินข้าวยังไม่อิ่มถ้าอิ่มแล้วมันก็รู้เองว่ามันถึงเองดังั้นของนี้ไม่ต้องไปถามใครให้ดูตรงตัวเนี้ยดูที่ตัวทุกข์ว่ายังทุกข์อยู่หรือเปล่ายัางมีกิเลสมีตัณหาอยู่หรือเปล่าคําถามข้อต่อไปจากคุณชุติมานะครับพาแม่ไปทําบุญขอให้ท่องพุทโธ สวดมนต์เรียกว่าตอบแทนบุญคุณได้ไหมเจ้าคะก็ได้ก็รับใช้คุณแม่ก็เป็นการอาทดแทนบุญคุณแต่มันก็มีหลายวิธีมีมากกว่านี้อีกเยอะแยะเช่นพระพุทธเจ้าทดแทนบุญคุณของพุทธมารดาด้วยการแสดงธรรมโปรดจนพุทธมารดาได้บรรลุปเป็นพระโสดาบรนนี่แหละคือการทดแทนบุญคุณที่สูงสุดที่ บุตรสามารถที่จะทำได้ต่อบุปการเคือทำให้บิดามารดาได้หลุดพ้นจากคั้วของอบายคือถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปแล้วก็จะมีพบชาติเหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่คือวิธีที่บุตรทิดาคนรจะตอบแทนพระคุณให้กก่บิดามารดาถ้าจะทำได้ แต่ก่อนจะทําได้ตนเองก็ต้องบรรลุ ก, ก่อนถ้าตนเองยังไม่บรรลุแล้วตนเองจะไปสอนให้ท่านบรรลุได้อย่างไงถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องพาพ่อแม่ไปทําบุญอย่างที่ทําอยู่ถ้าไปเจอกับพระอาหารหันต์ไปเจอกับพระโสดาบันท่านก็อาจจะสอนให้มารดาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระโสดาบันขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นอย่างเดียว ไม่ไม่ใช่ว่าพาแม่ไปวัดแต่เวลาแม่หิวข้าวก็ไม่หาข้าวให้แม่กินแล้วเวลาแม่ทำอะไรไม่ถูกใจก็ว่าแม่ด่าแม่ไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นการทดแทนอุญนคุณถ้าอยากจะทดแทนบุญนคุณก็ต้องทดแทนหลายอย่างด้วยกันให้รอบให้ครบพ่อแม่ขาดอะไรก็ต้องดูแลให้ท่านได้มีปัจจัยสี่ขาดอะไรก็ต้องหามาให้ ขาดอาหารก็ต้องหาอาหารขาดยาก็ต้องหายามาให้ขาดเสื้อผ้าขาดที่อยู่อาศัยก็ต้องหามาให้เวลาท่านบน่นท่านทําอะไรไม่ถูกใจเราก็ต้องอดทนอดกั้นแตไม่ใช่ระบายออกมาบ่นกับแม่บ่นมาลูกก็บ่นกลับไปว่าแม่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการทดแทนบุญคุณแล้วเป็นการเมนลาคุณแล้วในเวลาเรา เกี่ยวข้องกับพ่อแม่นี่ต้องระมัดระวังจะพูดอะไรจะทำอะไรนี่ต้องคิดแห้รอบครอบก่อนอย่าปล่อยให้อารมณ์ไม่ดีเป็นตัวพาไปแล้วจะมาเสียใจในภายหลังแม้แต่ผู้ที่มีภูมิธรรมสูงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรไปว่าพ่อแม่นะใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีใครเขาว่าพ่อแม่แล้วคาถามข้อต่อไปนะครับ ทำงานไปท่องพุทโธในใจมักจะหายบ่อยแต่ก็ดีใจอยู่บ้างที่พอมีสตินึกกลับมาได้ท่องเรื่อยๆสบายดีเรียกว่าในแต่ละวันพุทโธหายและกลับมาไม่มีหายไปทั้งวันอย่างนี้พอจะไหวไหมเจ้าคะอาจเป็นเพราะตั้งจิตอธิษฐานในภนษาจักขอให้ใจและลึกพุทโธให้ได้มากที่สุดไม่กล้าอธิษฐาน ว่าตลอดเวลาก็ดีดีกว่าไม่มีเลยแต่ก็ยังดีไม่พอก็คื อ, อยังต้องทำเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งมีพุทธโธอยู่ตลอดเวลาให้ได้ถ้าได้แล้วก็จะสามารถนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้อย่างรวดเร็วง่ายๆได้ดังนั้นตอนนี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีกว่าเก่าก็แล้วกันดีกว่าตอนที่ไม่มีเลย ตอนที่วันวันหนึ่งนี้ไม่มีพุโทโธอยู่ในใจเลยตอนนี้ยังมีบ้างหายไปบ้างหายไปกลับมาหายไปกลับมาอย่างนี้ก็ดีแล้วต่อไปมันก็จะกลับมาถี่ขึ้นนานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเองขอให้ทำต่อไปก็แล้วกันอย่าหยุดไม่ใช่กอออกพรรษาก็เลิอกคาทิฐานแล้วก็ปล่อยให้พุโทโธมันหายไปอย่างนี้ก็ไม่ดีถ้าได้อะไรมาแล้วต้องรักษาไว้ให้ได้ ได้สิ่งที่ดีแล้วต้องรักษาไว้แล้วต้องพยายามทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปจากสิบก็เป็นยี่สิบจากยี่สิบก็เป็นสามสิบไปจนกว่ามันจะเต็มร้อยถ้าเต็มร้อยเมื่อไหร่เวลาสอบก็จะได้คะแนนเต็มร้อยคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณเนติเนตินะครับการนั่งสมาธิโดยการฟังธรรมไปด้วยจะทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งหรือมีสมาธิได้ไหมคะ เพราะบางทีถ้านั่งเงียบๆ บ, บริกรรมพุโทโธแล้วพบว่านั่งได้ไม่นานเพราะเกิดเวทนาปวดเมื่อยปวดหลังดังนั้นจะใช้วิธีฟังธรรมควบคู่ไปด้วยเป็นกุศโลบายให้นั่งได้นานๆและเกิดสมาธิได้หรือไม่ได้แต่ต้องตั้งใจฟังธรรมอย่างเดียวไม่ควรที่จะบริกรรมพุโทโธหรือไม่ควรจะดูลมหายใจ เวลาฟังธรรมให้ใช้ธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจเป็นเครื่องผูกใจอย่าไปใช้พุโทโธควบคู่กับการฟังธรรมเพราะมันจะชนกันมันจะมารบกวนกันเป็นเหมือนกับเวลาเปิดขึ้นวิทยุเรามีสถานีมาสองสถานีมาแทรกกันเราต้องจูนเครื่องให้มันรับเพียงสถานีเดียวฉันใดเวลาภาวนาเราก็ต้องการให้ใจเป็นหนึ่งใจจะเป็นหนึ่งได้ใจต้องมีอารมณ์เดียว จะต้องอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งจะอยู่กับพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธไปจะอยู่กับการฟังเทศก็ฟังเทศไปฉั้นเวลาฟังเทศอย่าไปพุทธโธถ้าอยากจะพุทธโธก็ปิดเสียงเทศปิดเสียงเทศเพราะไม่อย่งั้นมันจะมารบกวนสมาธิกันแล้วมันจะไม่สงบแต่ถ้าฟังอย่างเดียวนี้มันจะสงบได้หรือบางทีมันอาจจะเกิดปัญญาและบรรลุธรรมขึ้นมาได้ คำถามหมดแล้วครับวันนี้ครับอจวันนี้มีใครอยากจะถามต่อไหมวันนี้ไม่มีใครกล้าหานเลยนะคราวที่แล้วมีคนกล้าหานถามกันใหญ่พระอาจารย์ครับอ่ที่พระอาจารย์ได้สอนมาตลอดเวลาว่าควรทํำตัวให้เป็นผ้าคีรุสครับอาจารย์มีความรู้สึกว่าการเป็นผ้าคีร้วเนี่ยมันก็สุกนะครับพระอาจารย์แต่มันสุกลึกสุกสุกแบบสุกนานนะครับพระอาจารย์ไม่เหมือนกับ อ่าแบบแบบข้างหน้าครับอาจารย์ผ่ากิริยามันก็มีสองแบบผ่ากิริย์ห่อทองกับผ่ากิริย์ห่อขี้ถ้ามันห่อทองมันก็สุขตลอดถ้ามันที่ห่อขี้มันก็สุกข์นั่ก็พยายามทําตัวเป็นท่ากิริเว้ดีจะได้ไม่วุ่นวายใจ ใครจะพูดจะดา่าจะตําหนิเราว่าเราเป็นเหมือนผ้าคีริว้วเราก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นผ้าไหมผ้าผ้าอะไรผ้าแพรนี้พอใครมาว่าเราเป็นผ้าคีร้วเราก็จะเสียใจทําตัวให้ต่ําต้อยไว้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญอย่างหนึ่งถ้าไม่มีใครจะถามก็จะมีไหม ไม่เลอ่ะส่งไม้ไปหน่อยไปมเอาอยางหลังถึงถึงอะส่งไปเนี่ยฝากส่งไปครับ่างหลังคนนี้คนนี้อะไบอ่คนนี้อเนี่ยส่งไปนส่งไปเลยครับเปิดไม้ได้ครับเดี๋ยวเปิดไม้มาจ้างก็อ่อดีฉัน่ะปฏิบัติคือ เวลาการนั่งเดินเดินเดินจงกรมก่อนนะเจ้าคะ่ะพอเดินจงกรมแล้วก็นั่ง <c oughs> รู้สึกว่าเวลานั่งแล้วสวดมนต์สวดมนต์ก่อนนะสวดถ้าถ้าสวดเราจะเป็นสมาธิเจ้าคะ่ะแล้วก็แปรแปรมาสมาธิแล้วก็ที่พอรู้สึกว่าจิตเป็นสมาธิดีก็นั่งพอนั่งแล้วจิตคือจะจะพิจารณาเจ้าคะ่ะจิตไม่เป็นสมาธิจะเป็นพิจารณาพิจารณาว่าเวลาเกิดตรงไหนก็ รู้ตรงนั้นเจ้าค่ะอย่าไปพิจารณาหยุดมันไว้ก่อนบางค่ําให้มันพูดอยู่กับพุโทโธไปก่อนดีกว่าเพราะจิตมันยังไม่สงบเต็มที่พิจารณาแล้วมันจะไม่ได้ผลแต่โยแต่ดิชันว่พอพอพิจารณาว่าพอเกิดพอรู้จิตว่าคิดฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านพอรู้พออาจจะตีไปจับตรงนั้นแล้วก็จิตก็เขาจะนิ่งเจ้าค่ะนิ่งคือนิ่งแบบ ไม่ยินดียินล้ลยเจ้าค่ะไม่พอรู้ว่าอ่ะพอนั่งนั่งไปก็คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้แล้วคิดว่าอ่ะกังวลอีกพอรู้ว่ากังวลก็รู้ว่ากังวลเจ้าค่ะเราก็ดูตรงงานเอ า, า, เอาตักตัวดูอย่างนี้ไม่ดีมันยังไม่เน่งเต็มที่ถ้ามันเน่งเต็มที่แล้วมันจะไม่ไปรู้เรื่องใครทั้งนั้นมันจะไม่ไปกังวลกับใครทั้งนั้น ต้องการให้มันไปถึงจุดนั้นแต่เป็นบางครั้งนะเจ้าคะออถ้าพูดแหะมันยังไม่ถ้ายังกังวลยังคิดถึงอย่างยังแสดงว่ายังใช้ไม่ได้มันต้องนิ่งแบบไม่มีและไม่รับรู้ไม่สนใจกับใครเลยเหลือแต่รู้อยู่ตัวเดียวแล้วก็อยู่ได้นานด้วยออนั่งไปเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้เ อ, อนิ่งอย่างเดียวไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายที่ น, นิ่งนี่คือจิตจิตเป็นสมาธิรือเจ้าคะ่ะ จิตไม่คิดถึงใครทั้งนั้นไม่คิดถึงเรื่องอะไระความคิดหายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้แต่เวลาดิฉันนั่งนั่งรู้จบเตวตาเยาปวดเจ้าค่ ะ, ะนัะ่นแสดงว่ามันยังไม่สงบเต็มที่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดนั้นต้องพุทโธพุทโธไปต่อต้องภาวนาต่อ<ม>ถ้าอยู่ภาวนาไม่หล่เดียวมันก็คิดทันที คิดแล้วมันก็จะเจ็บจะปวดตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเวลาดิฉันนั่งเวลาเจ็บเจ็บไปกี่ชั่นก็จะนั่งดูตรงที่ปวดเอะมันไม่ถูกอ่ะทำนี้ไม่ถูกเพราะมันยังไม่มันยังไม่มีกําลังที่จะไปทําอะไรกับมันได้เดี๋ยวไม่นั่งกี่ปีกี่ชาติมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละไม่เชื่ออีกสิบปีมาเล่าให้ฟังก็ได้ ถ้จิตยังไม่เข้าสู่สมาธิยังไม่รวมเป็นหนึน่งนี่มันตอนนั้นดิฉันก็ถาม่าพระอาจารย์บอกว่านั่งดูดูแลจิตก็เป็นอเุเบกขาแล้วดูเข้าไปลุกจิตเขาก็คือเข้าจ่ายที่การอาการเกิดเขาก็จะหายเจ้าค่ะหายหายไปแล้วก็นิ่งเจ้าค่ะนิ่งเขารู้ว่านิ่งอ่าก็นิ่งก็รู้ว่าแต่แต่ดิฉันก็บอกว่าเอ๊ะนิ่งที่รู้สึกข้อความอะอาการร้อนร้อนเข อ, อันนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนก็ ออเป็นทุกข์เป็นอน้าตาแล้วเขาก็นิ่งเจ้าค่ะนิ่งแล้วเขาก็ดับไปจนดูเขาดับไปเจ้าค่ะดับไปแล้วก็ทงที่พอรู้จักว่าจิตนุ่นิ่งนิ่งไปอ๋อนิ่งๆๆๆนิ่งนิ่งนี่คือเอ้ยก็ก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วก็จิตเขาก็เหมือนพลิกมาถ้าเวลาจิตเป็นอกุศลเนี้ยดูแลจิตเขาจะจะดีเป็นผ่องใสขึ้นมาเจ้าค่ะคืะอเหมือนจะ ก็ต้องทําย่างกระลังมันนิ่งมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีเรื่องมีแล้วนั่นแหละถึงจะได้ผลถ้ายังมีอย่างนี้อยู่มันก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันต้องกระทัง่งมันหายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เจ้าค่ะแล้วแล้วพระอาจารย์จะชี้แนวงอะไรดิจันนะเจ้าค่ะก็นี่แหละทํำจนกว่ามันจะนิ่งกระทั่งนิ่งจริงๆนิ่งจนกระทั่งไม่มีอะไรต้องให้มาพิจารณานั่นแหละ ถ้ายังมีมันก็ยังไม่นิ่งเต็มที่ในการจะนิ่งเต็มที่มันก็มีสองวิธีวิธีนึ่งก็ใช้สติจ่ออยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวจนกระทั่งมันรวมเข้าไปเป็นหนึ่งแต่หลังจากนั้นเวลามันออกมาเวลามันไม่นิ่งก็ใช้ปัญญาได้ตอนนั้นแต่ตอนนี้ยังมันยังเข้าไปไม่ถึงจุดนั้นก็ใช้ปัญญามันก็มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันนิ่งหายไปได้ เ, ออเวลาดิฉันดูว่ากี่เวลาโมโหอะไรนี่ไม่พอใจดิฉันก็ดูดูดแล้วเขาก็จะเหตุการ์โมโหเนี่เขาจะคลายไปเขาจะเป็นนิ่งแล้เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาเราใช้ส ต, ติอย่างเดียวถ้าเราอยากจะใช้ปัญญาเราต้องถามว่าเราโมโหเพราะอะไรทําไมทําไม ถ, ถึงเราถึงต้องโมโหด้วยค่ะออต้องไปหาเหตุของโมโหให้เจอถ้าหาเหตุของโมโหเจอแล้วหยุดเหตุนั้นได้มันก็จะไม่มีโมโหอีกต่อไป อ่ถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านอําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิรารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ